พระธรรมเทศนาแผ่นที่95ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่7กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าตัดไฟแต่ต้นลมวันนี้เป็นวันที่7 กันยายนพุทธศักราช2559วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งทางอำเภอนายงมีท่านในอำเภอเป็นประธานได้จัดทาบุญอำเภอที่วาการอำเภอขึ้นมาพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยที่มาร่วมกันมารวมกัน ทำบุญที่วาการอำเภอแต่หลวงพ่อกีอ่ว่านานแล้วนะที่ทางอำเภอของเราที่ท่านนายอำเภอก่อนกรบางตีปีท่านก็ได้ทาบางปีท่านไม่ทคือภาระธุระของทางอำเภอก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่บางปีก็จะอยู่ได้นานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแต่นี่พอมาแล้วก็ มีทุะท้งนายอำเภอทั้ ง, ห, ง, งหัวหน้าส่วนรัฐการแต่ทางสถานีตำรวจ อ, อันนั้นพอครอบปีคือว่าครบวันตำรวจก็มีการทำบุญเกือบเกือบทุกครั้งอ่ะตีหลวงพ่อได้มานะแต่ที่ที่วระการอำเภอของเราแต่จำไม่จริงหลวงพ่อเองตั้งแต่ เริ่มแรกนะที่วระการอำเภอนายูงเนี่ยหลวงพ่อได้มาได้มาวางชื่อละเลิกอยู่ในวันนั้นนะถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดชื่อท่านผู้วารัชการจังหวัดสมัยนั้นเร่ยกว่าท่านจะรวยนะทำไมหลวงพ่อจึจงจําท่านชื่อท่านได้เพราะว่าผมนี่ผมจะรวยอยู่นะถ <laughs> ้านว่าจะรวยหลวงพ่อเลยจําชื่ อ, จ ำ, อจำชื่อจำชื่อท่านได้ปรนะการใด ท่านผู้ว่าจะรวยที่มาวางเชละเลอร์ในในวันนั้นนะแล้วก็ท่านเจ้าคุณจันท์เจ้าคุณจันท์ที่มาเป็นประธานฝ่ายสงนะแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสวดเช ย, ยังเชยมงคณคาถาในวันนั้นนะที่มาวางเชลเลอร์ที่วากาอรอำเภอหลวงพ่อได้มารู้เห็นตั้งแต่ริเริ่มที่วากาอรอำเภอแต่ถ้าไม่จริง แต่ตามไม่จริงถ้าหากว่าให้หลวงพ่ อ, อ, อตั้งทวารการอำเภอ呐หลวงพ่อคงจะหันหันหลังใส่สันหันหลังใส่เขานะและหันหน้าไปสู่ชุมชนนะอันนี้สมัยนั้นดูๆแล้วท่านคิดได้ยังไงผู้ที่มาตั้งทวารการอำเภอหันหน้าเข้าหาภูเขาหันหลังใส่ชุมชนหลวงพ่อเนี่ยอำเภอนาะยงมันจึงไม่เจริญนะ อแต่ก็ดีเหมือนกันสงบงบเงียบดีนะเจะสง บ, ง, บงบเงียบดีหลวงพ่อว่านะแต่ถึงยังไงก็ตามนะเหลวงพ่อเออยู่นอำเภอนายูงของเราถึงจะเป็ น, นำ อ, อ, อำเภอแล็กเออำเภออยู่ในธุรกันดารห่างไกลแต่ก็อยู่ในพี่น้องศรัทธาญาติโยมคนในชุมชนอำเภอนายูง น, นายูงนะก็อยู่ในความสงบ อยู่ในความสงบก็ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องราวผัส่วนราชการทุกหน่วยทุกเราในฐานะที่หลวงพ่อเป็นหลวงปู่หลวงตาอยู่ในอำเภอแต่ก็ไม่ใช่ฝนะ่ายปกครองนะแต่ปกครองก็คือวัดหลวงหลวงพ่อชาลีภูกร้อนเป็นเจ้าคณะอาเภ อ, เอและตั้งฝ่ายนิกายเรื่องฝ่ายวัดบ้านก็นันวัดหลวงปู่เครื่อง่ เป็นเจ้าคณะอำเภอแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นหลวงปู่หลวงตาอยู่ในอำเภอถึงยังไงก็ตามหลวงพ่อเคยคิดว่าอำเภอนายวงของเราอยู่ในความสงบแต่เสียท่าแต่ยางราคามันตกต่ําไปสักหน่อยเหมือนกันจ้ะถ้าหากว่าทางรัฐบาลได้ยินเหนือหลวงพ่อว่าน่าจะขอขึ้นสักหน่อยก็ดีเพราะว่ารู้สึกว่ายางอำเภอนายวงของเรานี่ยตกต่ํา แต่ว่าตะกอนก็เป็นอำเภอที่ว่าอยู่ในถิ่นกันดานแต่พอมาพอมียางขึ้นมาสวนยางขึ้นมาอำเภอนายวงเนี่คือว่าไม่แพ้ใครเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งของจังหวัดอุดอรเรื่องสวนยางเพราะภูมิทัศน์ผูมิประเทศมันเอือ้อทําไมจึงว่าเอือ้อเพราะว่าอำเภอนายวงมันมีไม่มีที่ทำนาเอามันเป็นที่เนินที่ดอนที่เนินมากกว่า เพราะนั้นที่จะทำไร่ทำนาเหมือนกับแถบอำเภอบ้านผือน้ำโสมก็ทำไม่ได้เพราะนั้นจึงได้มีการปลูกท่าว่าปลูกสมัยก่อนกับปลูกมันสาปะหลังปลูกข้าวโพดอพอต่อมาเนี่ยก็พอยางมีราคาขึ้นมาพี่น้องประชาชนก็หันเหมาทางปลูกยางเพราะท่านกำนันสสชุตชาตเนี่ยเป็น เป็นกุญแจดอกแรกนะ ท, ที่แนะนําเรื่องปลูกยางหลวงพ่ อ, อยังระลึกถึงบุญคุณอยู่นะสอสอจุรชาติที่ทําให้เขตอำเภอนายวงของเราเนี่ยจเจริญขึ้นมาได้อย่างนี้นะท่านอสสเป็นผู้ประเดิมแล้ว่าเป็นผู้แนะนำเอาเ อ, เ อ, อย่างพาราขึ้นมาปลูกจนะากนั้นพี่น้องประชาชนก็ทดลองปลูกก็ฮือฮากันขึ้นมามาช่วงหนึ่งนะ ราคาเกือบเป็นเกือบเป็นร้อยนะขี้ยางเนะี่ยเกือบเป็นร้อยราคาแพงมากในช่วงนั้นจนถึงกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านเนี่ยลืมตัวแต่หลวงพ่อไม่ลืมนะหลวงพ่อเตือนไว้อยู่เอ้ยลูกหลานัทธาญาติโยมเวลามันขึ้นอย่าลืมตัวนะให้รีบเก็บนะจะตุกเงินที่เราขายได้นะ่ะจะไปแบ่งกันใช้ลุยชุยแฉกไม่ได้นะเวลามันได้ขึ้นมาเหมือนกับ น, น้าโขงนะะ่ะ เวลามันขึ้นก็เอาตักเอกเอ่เตรียมตัวไว้เวลามันแห้งก็มีนะ อ, อติเลกาลาปันเป็นอย่างนี้แหละมันมีขึ้นมีลงนะลูกหลานนะลวงพ่ อ, อยังจําคําพูดหลวงพ่อได้อยู่ในช่วงนั้นนะจากนั้นมาก็ลงตะลุดตลาดตะลุดตลาดลงมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพูดที่เคยได้ราคามันแพงก็เลย เ, เสียอกเสียใจอยู่ทําไมไม่ขึ้นเหมือนสมัยก่อนโน้นอันนี้ก็คือ การของชีพของพี่น้องประชาชนลูกหลานแต่ถึงอย่างไรเขาขอให้ท่านนายอำเภอของเราเนี่ยเป็นประมุกเป็นประธาน เ, เป็นล่มโพล่มใสของลูกของหลานของพี่น้องประชาชนการแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเพราะอำเภอนายุงก็รู้อยู่แล้วเป็นอำเภอที่สุดท้ายปลายแดนแต่นับว่าเป็นส่วนหนึ่งก็คือนี่แหละวัดป่าภูก้์เนี่ยเป็นเครื่องพยุง เออเป็นเครื่องประยงก์ส่งเสริมโลเป็นเออเป็นฮีโร่ของจังหวัดถ้าจะว่าดอย่างนั้นก็นไม่น่าจะผิดเหมือนกันเพราะว่ามีพระพุทธปฏิมาพระชิหาสายญาติผูก้อนถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามถ้าหากว่ามาจังมาถึงจังหวัดอุดรแล้วยังไม่ได้มาถึงภูก้อนแปลว่ามาไม่ถึงเมืองอุดรไงหลวงพ่อวาอย่างนั้นนะ เ, เพราะฉะนั้นจยางวันเสาวันทิตย์พวกเราขึ้นไปดูสิทุกวันนี้นะเออไม่ลวด จังหวัดไหนโตจังหวัดไหนแห่ให้แห่กันขึ้นมามากราบพระพุทธปฏิมาที่ภูก่อนมาแล้วก็มาอีกอยากจะมาอีกนะเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงคิวต่างประเทศนะต่อไปหลวงพ่อคิดว่าต่อไปชาวต่างชาติต่างประเทศที่ได้เห็นมาพระพุทธปฏิมาแล้วคงจะหลังไลกันขึ้นมานนนเพราะนั้นอำเภอนายงของเราขอให้พี่น้องลูกหลานทุกคนนะ่ะ เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมการรองรับนะหลวงพ่อว่าพระพุทธปฏิมาภูเก้อ น, นี่แหละจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและก็เป็นเป็นหลักของอําเภอนายงของพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งตนเป็นคนดีสรุปแล้วนะดูแลลูกหลานของพวกเราอย่าให้มีนักเกลงหัวไม้พี่น้องประชาชนทางต่างถิ่นต่างแดนเข้ามาก็ให้อุ่นอกขุ่นใจ พอเข้ามาบางทีเขาก็มาขึ้นมายังไม่ถึงเขาก็มาพักแวะนอนพักอยู่ตามารีสอร์ทในเขตเอำเภอนาโยงของเราเขอขอให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันชนชุมชนในกลุ่มของเราเนี่ยแหะเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลปกป้องพี่น้องประชาชนต่างถิ่นเข้ามาสู่ถิ่นของเราให้ได้รับความอบอุ่นถ้าหากว่าเขามาได้รับความ อบอุ่นในพื้นถิ่นของเราเราเขาก็จะนะ่ะบอกต่อต่กันไปปากต่อปากคาต่อคาเอ อ, เ อ, อพี่น้องเขาดูแลดีนะผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาใสา่ใจดเออีเหล่านี้นะ่ะถ้าว่าพวกเราไม่รักษาไม่ดีนะ่ะออถ้ามาแล้วก็เป็นพิษเป็นภยัยมีขโมยโวยโจรในท้องถิ่นของเรา เ, ออเข้ามาทีเดียวเขาก็เข็ดขยาดนะเท่นีน่เพราะนั้นเขาฝากไว้กับออทุกทุกคนนะ่ ครูบาอาจารย์ครูโรงเรียนวันนี้เห็นพออัดงเยอะแยะมาในการทําบุญในวันนี้แล้วกัผู้ใหญ่บ้านกำนันก็คงจะมาอยู่ในแถบเดี๋ยวนี้เหมือนกันนะั่นแหละแล้วก็มีท่านในอำเภอเป็นรักเป็นประธานแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านถึงจะบริหารงานจัดการอย่างไรก็จะลืมศิลธรรมพ่อหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระหลวงปูปูหลวงตา อาหลวงพ่อนะอยู่ในท้องถิน่นอยู่ในชุมชนของพวกเราแต่ทีอยังไงหลวงพ่อก็มีอะไรหลวงพ่อพยายามดูแลชนในท้องถิน่นแต่เมื่อไม่นานมานี้กับหลวงพ่อนะช่วยโรงเรียนบ้างช่วยโรงพยาบาลบ้างในทีนถิน่นหรือนอกถิน่นในของพวกเราถ้ามีใครมีอะไรในสาธารณประโยชน์หนะลวงพ่อก็ไม่ได้ดูดายนะลูกหลานเนาะ และก็พร้อมกันให้พวกเราให้มีศีลมีธรรมนะั่นแหะทุกระดับให้เคารพให้เคารพซึ่งกันและกันอย่างท่านนายอำเภอนี่ถึงจนะท่านามีอายุวัยวุชิณวฒิของท่านท่านเป็นพวกมีคุณวฒิษพวกเราก็ให้ความเคารพตามคุณวฒิษวัยวชิผู้มีอายุมากเราก็ยกมือไหว้เพราะว่าท่านมีวัยวชิษนะคุณวชิษผู้ ม, มีอํานาจหรือมี ออทำงานราชการเป็นผู้ใหญออ่ถึงจะเป็นเด็กเราก็ให้ความเคารพเพราะว่าเป็นออขุดนวศออนี่แหละให้รู้จักสรุปแล้วก็คือรู้จักการเทศการสถานที่บุคคลถ้าว่าพวกเราวางตัวถูกแล้วพวกเราอยู่ด้วยกันมากมายทั้งขนาดไหนร่มเย็นเป็นสุขนะพี่น้องลูกหลานค่ะศรัทธาญาติโยมนะทางว่าคอนเท่าคอนไม้เท่าไม้ไม่มีความเคารพยำเกรงกัน อันนั้นแปลว่าการอยู่ด้วยกันถึงจะอยู่มากก็มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบพรมเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะพวกเราไม่มีความเคารบซึ่งกันและกันและไม่แตกไม่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันในความพร้อมเพียงสามัคคีในกลุ่มในหมู่ในคณะนักคณะของเรานี่แหละร่มเย็นเป็นสุขหน้าเป็นหูเป็นตาช่วยกันถ้าว่าสิ่งไหนที่มันไม่ดี จะเอาสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในชุมชนสังคมของพวกเราพวกเราก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันนะไม่ใช่ว่าเอาถิงเขามันไม่ดีเข้ามาแล้วก็ เ, เป็นพิษเป็นภัยจากนั้นก็เดือดร้อนนะเดือดร้อนทุกคนไม่ใช่ว่าเดือดร้อนแต่เฉพาะคนกลุ่มนั้นนะคนที่ปกปิดปกปิดที่มันไม่ดีเอาไว้นะนะ่ะต่อไปก็เดือดร้อนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะแต่หลวงพ่อเองกับไม่อยากจะพูดแต่จากจะพูด ไม่อยากจะพูดแต่อยากจะพูดทำมเพราะว่าพี่น้องลูกหลานของพวกเราเนี่ยนะอบางคนอาจจะทะเลทเลายถล่อมองว่าเป็นของธรรมดาแต่ตามไม่จริงมันเป็นพิษเป็นภัยอย่างยาบ้าอย่างนี้นะที่หลวงพ่อยกจะเตือนับทุกคนเลยมันเป็นพิษเป็นภัยจริงๆนะลูกหลานนะอย่าไปทำอย่าไปเสพอย่าไปดื่มพอเสร็จแล้วเนี่ยพอมันขาดเท่านั้นแหละ มันเป็นขโมยโวโจนได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าใครก็ได้เพราะมันเมาขึ้นมามันเป็นพิษเป็นภัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่ที่แรกถือว่าเป็นของสนุกเป็นของเล่นๆนะแต่ตามไม่จริงมันไม่ใช่เล่นนะมันเป็นพิษเป็นภัยอย่างร้ายแรงที่ตามมาเพราะฉะนั้นขอให้ฝากไว้กับพวกเราทุกคนนะทั้งผัวแเย่บ้านกำนันทั้งครูบาอาจารย์โรงเรียนช่วยๆกันเป็นหูเป็นตา สิ่งไหนที่มันไม่ดีก็พยายามบอกกล่าวลูกหลานแนะนําลูกหลานของเราให้เป็นคนดีนอะอย่าไปคิดทำนะลูกหลานนะอันตรายแนะ่ทามองไปมันเป็นพิษภัยต่อไปภายภาคหน้าแต่คิดสนุกสนานแต่ในขณะที่นี่แหล ะ, ะแต่มันเป็นพิษภัยต่อไปภายภาคหน้าน ะ, ะถ้าว่าเกิดขึ้นอยู่ในชุมชนของเรานะเนี่ยเป็นยังไงใครใครก็ไม่พึงปรารถนาอยู่กับลูกหลานของใครถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วนะ วันนั้นขอให้ดับไฟแต่ต้นลมดับไฟแต่ที่แรกจะดีกว่าน้าหลูกหลานหน้าเนี่ยน่าจะช่วยบอกกล่าวกันนะหลวงพ่อพูดในฐานะเป็นหลวงปู่โลงตานะหลวงปู่โลงตาอยู่ในชุมชนของพวกเราหลวงพ่อเป็นห่วงเหมือนกันนะหลูกหลานนะตอนนี้ไปพระ ส, สงฆ์จะนมทนาให้พรรับพรในตีนนะ่กวดน้ำบทที่ส่วนกุศล อวดน้อวทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณ ค, คุณต่อภูมิเจ้าที่นะต่อภูมิเจ้าพี่ภูมิมะลุกขะเทวดาดั้งหลายที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราได้ก็พวกเรายินดีอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านเหล่านั้นทุกๆท่านทุกๆดวงวิญญาณ